รรมบรรยายเรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นภาคสี่จากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระเรื่องความสงบโดยธรรมดาหรือโดยธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความปรารถนาที่จะสงบเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ในชีวิ ต, ตจิตใจถ้าไม่มีเหตุอื่นมากระตุ้นให้วุ่นวายแล้ว ชีวิตจิตใจก็ต้องการความสงบสุขอยู่เสมอดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสงบเป็นธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตผู้รู้จักความสงบชื่อว่าได้รู้จักธรรมชาติของชีวิตและความลี้ลับของชีวิตอย่างที่ท่านผู้สงบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงรู้จักมาแล้วและนํามาเปิดเผยแก่เราท่านทั้งหลายเรื่องความสุข ความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมความว่าต้องทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่าขุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจ สำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือ หรือสุภาษิตไทยๆ ท, ที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็มีความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่น พวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกข์ตอบแทนเสียอีกพระพุทธศาสนามองสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตรัสุขยอมให้ทั้งสามิสสุขและนิรามิสสุขแต่พระศาสดาทรงติงว่าโลกียสุขและสามิสสุคนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์จึงไม่ใช่สุขที่แท้จริงส่วนโลกุตรัสุข หรื อ, อนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือส่งเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกหรือโลกียสุขเป็นสุขเทียม ส่วนนิพพานาสุขหรือโลกุตระสุขเป็นสุขแท้อย่างไรก็ตามถ้าพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลยมันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เอง เพียงทำใจให้สงบวันละหนาทีสิบนาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าความสุขท่ามกลางความทุกข์ความสุขท่ามกลางความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น หรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวีนกับใครใครจะจองเวีนกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวนีนใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอเรื่อง ความสันโดษเป็นทราบอย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ได้ความยากกินเท่าไหร่ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มถ้าลองคิดดูเถิดว่าคนประเภทนี้จะต้องทุกข์สกปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั่นเอง สันโดษจำแนกออกเป็นสาประเภทคือ 1. พอใจตามที่ได้ 2. พอใจตามกำลัง 3. พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบินธบัตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่สอง อย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัยสี่นั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสว่ากำลังของเรามีเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอ ประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคารือหัดสมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อไดมาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้น ต้องถูกตีเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพที่ได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเ อ, อิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอนหนึง่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ ทราบนี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทราบอย่างยิ่งดังกล่าวมาเรื่องคุณและโทษตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทบุคคลมีสิ่งใดย่อมต้องทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นดังพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้มีบุตรย่อมต้องเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมต้องเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะมีสิ่งที่ยึดถือนั่นเอง ผู้ไม่มีสิ่งที่ยึดถือย่อมไม่เศร้าโศกด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีให้เป็นคือมีโดยไม่ยึดถือหลายคนอาจตะโกนว่าถ้าไม่ให้ยึดถือแล้วจะไปมีมันทำไมตอบว่ามีเพื่อใช้ประโยชน์เท่าที่ประโยชน์มันมีคือถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เป็นโทษนั้นทิ้งเสียแม้ไม่เป็นโทษแต่ไม่จาเป็นก็ทิ้งเสียได้เหมือนกัน ทำนองเดียวกับเมื่อกินผลไม้มีเปลือกเช่นมังคุดก็ทิ้งเปลือกเสียกินแต่เนื้อในย่อมสำเร็จประโยชน์ด้วยดีในโลกนี้มีสิ่งที่มีคุณและโทษเอื้อกันอยู่ใช้ปัญญาเลือกเอาเถิดจะได้ประโยชน์มากมายจริงๆเรื่องคุณแห่งเมตตาทานการแผ่เมตตาหรือการอบรมตนให้มีเมตตากรุณา น, นั้นตามหลักศาสนาของเรา ท่านว่ามีอ น, นิสง์มากกว่าการให้ทานและการรักษาศีลเพราะเหตุไรเพราะอยู่ในขั้นภาวนาและเป็นสมถะภาวนาเป็นขั้นที่สามของบรไดาสามขั้นคือทานศีลภาวนาการใช้โยนิโสมนาสิการและปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งปวงคือเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้น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 แม้ทานจะเป็นสิ่งมีอ น, นิสง์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับศีลและภาวนาหรือเทียบกับสมาธิและปัญญาก็ตามแต่เราไม่ควรดูหมิ่นทานควรให้ทานไว้เสมอตามโอกาสตามกำลังเพราะทานก็มีอ น, นิสงมากตามฐานะของตนโดยเฉพาะผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตด้วยแล้วยิ่งจำเป็นทานอํานวยผลให้เป็นผู้ไม่ขาดแคลน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 มักเกลือกลัวอยู่ได้อารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นทุรีันปลิวมาจากทิศ ต, ต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาสวดสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้ส ก, กรปรกแล้วซักสักครั้งหนึ่งเมื่อส ก, กรปรกอีกก็ซักอีก ดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปละเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกโปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภ บ, บ้างโกรธบ้างหลงบ้างยอมแลกเกียรติยศกับความปรารถนาทางกามาวัตถุเล็กๆน้อยๆ ย, ย, ยอมเดรัจคุณผู้มีคุณ เรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คลุกคลีอยู่ได้ธรรมชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหน่งนายจากธรรมย่อมเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญ บางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสาคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องใจเป็นประธานใจมีความสาคัญที่สุด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 ชีวิตกับแสงเทียนชีวิตเหมือนแสงเทียนเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่เพราะเหตุปัจจัยเกื้อหนุนและดับไปในที่สุดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยไส้และแท่งไขเป็นเหตุปัจจัยของเทียนเป็นเครื่องรองรับการปรากฏขึ้นของไฟอาศัยไส้และแท่งไขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหากไม่มีเหตุภายนอกเช่นลมเป็นต้นมาทาลายเสียก่อน แสงเทียนจะปรากฏอยู่ตราบเท่าที่ไส้และแท่งไขยังมีอยู่ฉันใดชีวิตนี้ก็ฉันนั้นมีกิเลสและกรรมเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้วิบากต่างๆเช่นวิญญาณเป็นต้นอันเป็นแสงเทียนคือชีวิตดำรงอยู่เป็นไปอยู่เมื่อใดสิ้นไส้และแท่งไขกล่าวคือกิเลสและกรรมเมื่อนั้นชีวิตย่อมถึงความดับสนิทเพราะสิ้นเชื้อ ภาวะเช่นนั้นคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่มองตามภาวะวิสัยคือสภาวะตามเป็นจริงแต่เมื่อมองตามอุดมคติที่จะพึงมีพึงเป็นชีวิตนี้ก็ควรเป็นเช่นแสงเทียนเหมือนกันคือบุคคลควรดาเนินตนอย่างแสงเทียนในแง่ที่ว่าปรากฏขึ้นเพื่อทำลายความมืดคืออวิชชาอย่างแสงสว่างคือปัญญาให้ปรากฏ เพื่อผลคือความรู้เห็นตามเป็นจริงและดำรงแสงสว่างนั้นอยู่เพื่อผู้อื่นในขณะเดียวกันไสและแท่งไขคือกิเลสและกรรมก็ถูกเผาไหม้ให้ละลายสิ้นไปทีละน้อยละน้อยแสงเทียนที่จุดขึ้นไม่พร้อมกันย่อมละลายแท่งไขและดับลงไม่พร้อมกันฉันใดชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นโดยปกติธรรมดา ถ้าไม่มีอันตรายภายนอกมาตัดรอนเส้นในระหว่างก็ย่อมค่อยๆสุดโซมแตกดับไปตามการไม่ยกเว้นใครเลยดังพระพุทธวจนะที่ว่าทั้งคนมั่งมีและยากจนทั้งคนพานและบัณฑิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายเสมอกันเรื่องใช้ความรู้ไปในทางที่ชอบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุ ค, คลิกลักษณะ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 ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถีถ่วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสาเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางที่ชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณถ้าอยู่ที่คนผานย่อมเป็นโทษและให้โทษ ทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ไม้ให้หมอดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความรู้เกิดแก่คนผ่านเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมฆ่าส่วนดีของคนผ่านเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิต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 ท่านสอนให้ทำได้ความมุ่งหมายให้กำลังใจมิใช่ให้เหลืองหรือยกเพื่อให้ลอยตัวให้ลืมตัวเป็นโอกาสให้ความประพฤติชั่วตามมาภายหลังอันจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับยกย่องนั่นเองเกี่ยวกับโทษของผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าเคยทรงสอนว่าอาสวะคือกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่คนที่มีปกติเพ่งโทษผู้อื่น คอยยกโทษคือกล่าวโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดคนเช่นนั้นย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะความจริงมนุษย์เราทุกคนย่อมมีความดีในตนอยู่บ้างมากหรือน้อยคนที่มีความดีมากกว่าความชั่วท่านเรียกว่าคนดีส่วนคนมีความชั่วมากกว่าความดีท่านเรียกว่าคนชั่วอันหนึ่งบางคนไม่ถือความชั่วบางอย่าง บางคนไม่เห็นความดีบางอย่างเมื่อใครไปทำความชั่วอย่างที่เขาไม่ถือเข้าเขาก็ไม่เห็นเป็นชั่วใครไปทำดีอย่างที่เขาไม่เห็นว่าดีเข้าเขาก็มองไม่เห็นดีเขาอาจตาหนิคนทำดีและยกย่องคนทำชั่วได้ด้วยเหตุนี้พระาศาสดาจึงตรัสว่าไม่ควรสนใจกับคำล่วงเกินให้ร้ายของคนอื่น ไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่เพึงสำรวจตรวจตรากิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนเรื่องทางแห่งความสงบความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดบรรดาความรักทั้งหลายความรักลูกเมียคนรักหรือความรักอื่นใดก็ตามไม่เหนียวแน่นเท่าความรักตน พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอความรักตนไม่มีมองในแง่จิตวิทยาความรักตนทําให้มนุษย์และสัตว์กระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตนและเผ่าพันธุ์ของตนเจริญคงพันุ์อยู่ได้ในโลกโลกมนุษย์เจริญมาได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักตนความรักตน ทำให้ตนต้องทำความดีบ้างความชั่วบ้างสุดแล้วแต่ความจำเป็นในขณะนั้นแต่มองในทางธรรมความรักตนจนเป็นอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอุปสรรคอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นม่ให้มองเห็นตัวตนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงสอนให้ตัดความรักตนหรือตัดความรักของตนเสีย แล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบทางแห่งความสงบนั้นไม่มีทางใดดีเท่าทางอันประกอบด้วยองค์8ดคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดทางนั้นนำไปสู่พระนิพพานพระนิพพานนั้นพระสุคตทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงทั้งนิพพานและทางให้บรรลุถึงนิพพานนั้นเรื่องทานศีลภาวนา ก่อสุขให้ตนเองและผู้อื่นด้วยทานไม่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่นและตนเองด้วยศีลพ้นสุขพ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้ด้วยภาวนากายวาจาใจสะอาดด้วยศีลกายวาจาใจสงบด้วยสมาธิใจสว่างสวายได้ด้วยปัญญาเรื่องทาใจให้ผ่องแผ้ว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 เราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราก็นึกเสว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้เจ้าสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดุเนียนสักทีท่านนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนยนบวชมาสองสมปี อายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละท่านเนีนจะนินทาท่านจะขุนบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสว่าท่านแก่แล้วก็จู้จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพออาภาัยให้ท่านได้เรื่องบุตรพัรยาและสามีก็เหมือนกัน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 จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขท่านจะเห็นว่าหลักสามประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความม่ยึดมั่นถือมั่นนี้สองประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสําหรับคนทั่วไปสําหรับประการที่สความม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทาได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอ จนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทมได้ง่ายเรื่องเท่าทันโลกธรรมคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบาตานถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกัน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 คนส่วนมากใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาและหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมสูตรว่าลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญ สุขและทุกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสียเรื่องธรรมอันเป็นเหตุให้ยศเจริญธรรมเจ็ดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ครวนก่อนทมความสมรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรม และความไม่ประมาทความเพียร น, นั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทํางานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้รุ่ล่วงไปด้วยดีมีความบากบั่นมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทํางานสติคือความรอบคอบและความระวัง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 เว้นการกระทําอันจักอํานวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทําแต่เฉพาะเหตุอันจักอํานวยผลเป็นสุขให้ความสมรวมนั้นคือความสํารวมอินทรีย์ทั้งหได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงําได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมขึ้มีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรม เราเลือกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกไว้สคือ 1. อิสริยยศความเป็นใหญ่ 2. เกียติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมาก 3. บริวารยศ ความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดีเรื่องน้ำเข้าเรือเรืออาศัยน้ำลอยอยู่เหนือน้ำเพราะไม่รับน้ำเข้าไว้ในเรือแต่เมื่อใดเรือรับน้ำเข้าไว้ในเรือโดยไม่มีทางป้องกันแล้วเมื่อนั้นเรือก็จมน้ำมีอุปการะต่อเรือแต่เพราะไม่ระวังตัวเองให้ดีน้ำจึงกลายเป็นโทษ ผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยโลกลอยตัวอยู่เหนือโลกเพราะไม่ยอมรับโลกียารมเข้าไว้ในใจเมื่อใดเขารับโลกียารมเข้าไว้ในใจโดยไม่มีทางป้องกันหรือสละคืนแล้วเมื่อนั้นเขาก็จะจมอยู่ในโลกนั่นเองอารมณ์ของโลกมีอุปการะต่อผู้ประพฤติธรรมสำหรับไว้พิจารณาแต่เพราะไม่ระวังใจมันจึงรั่วไหลเข้าท่วมทับใจได้ กลายเป็นโทษเรื่องบุญกรรมสัมพันธ์กับชีวิตพระพุทธศาสนาแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจโฉมนุสสปฏิลาโภเพราะต้องเกิดด้วยพลังกุศลกรรมในชาติก่อนพลังกุศลกรรมหรืออนุภาพแห่งบุญนี้เองส่งให้มาเกิดในกำเนิดมนุษย์อันถือว่าเป็นภูมิสุขติ ตามทัศนะแห่งอภิธรรมมัทสังคหะสุคติภูมิเจ็ดคือมนุษย์หนึ่งและสวรรค์6เมื่อคำนึงว่าเราเกิดมาได้ด้วยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสงฆ์แห่งบุญอันหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคัง่ง ไม้ลำบากฝืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้นส่วนผู้เกิดด้วยบุญน้อยย่อมถือกำเนิดในสกุลต่ำยากจนลำบากฝืดเคืองด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยรูปร่างไม่สมประกอบพิกลพิการผู้เกิดด้วยบุญพอประมาณย่อมได้รับทุกอย่างอันเป็นมนุษย์สมบัติพอประมาณเมื่อเกิดมาแล้ว ความเป็นอยู่การสืบชีวิตให้ดำเนินไปโดยราบรื่นก็เป็นของยากอีกเหมือนกันซึ่งบาลีว่ากิจฉังมัจจานะชีวิตตังบางคนต้องทำงานกรัมแดดกรัมฝนทนหนาวอย่างสาหัสจึงจะได้ทรับมาเลี้ยงชีพบางคนทำงานเบาบางคนทำพอประมาณสติปัญญาและกำลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากัน เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องบุญละก ร, รมของแต่ละคนทั้งสิ้นนี่คือบทบาทของบุญละก ร, รมที่มีความพัวพันกับชีวิตมนุษย์และปวงสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้เห็นอานิสงส์หรือคุณค่าของบุญอย่างนี้จึงจะง่ายในการปลูกความพอใจในบุญเมื่อมีความพอใจแล้วสิ่งต่อไปนี้ก็ตามมาคือความบากบั่นในการทาบุญ ความสนใจฝ่หาแต่เรื่องทำความดีและใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองหาอุบายในการทำความดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนี่เองความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับใจจริงอยู่มนุษย์เราย่อมหาความสุขความเพลิดเพลินได้หลายทางแต่ความสุขที่เกิดจากบุญหรือคุณความดีนั้น เป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษเป็นความสุขที่สะอาดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้แสวงหาความสุขด้วยการทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านานเรื่องปัญญาช่วยให้รู้ความจริงในความมืดเราย่อมมองไม่เห็นแม้สิ่งต่างๆจะมีอยู่แต่เราไม่อาจรู้ได้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่อย่างไร นอกจากเราจะเคยเห็นมาก่อนและสิ่งนั้นๆยังไม่ถูกย้ายที่แต่ถ้าเราสาดแสงสว่างเข้าไปย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆ ต, ตามเป็นจริงฉันใดเมื่อจิตใจของเราถูกห่อหุ้มด้วยวิชาสวะจิตย่อมมองอารมณ์ต่างๆไม่เห็นตามเป็นจริงแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นความจริงย่อมปรากฏอันหนึ่งสิ่งที่อยู่ในกะลาครอบย่อมไม่เห็นโลกภายนอก แสงสว่างภายนอกก็ไม่อาจเข้าไปได้แต่พอยกกะลาออกก็ได้สัมผัสกับโลกภายนอกตามความเป็นจริงทันทีด้วยเหตุนี้องค์ประกอบของชีวิตที่ดีประการต้นก็คือปัญญาเพื่อให้เราได้รู้ความจริงเรื่องผู้อบรมดีแล้วผู้ที่ได้อบรมกายอบรมจิตดีแล้วดูได้ที่ไหนดูที่เมื่อสุขเวทนาคือความรู้สึกสุข หรือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตเกิดขึ้นมันสามารถครอบงำจิตใจได้หรือไม่ถ้าครอบงำได้ทำให้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันต่างๆหรือเพลิดเพลินหลงไหลแสดงว่าเขายังไม่ได้อบรมกายอบรมจิตด้วยดีถ้าสุกทุกข์นั้นครอบงาจิตไม่ได้แสดงว่าเขาได้อบรมกายอบรมจิตดีแล้ว เรื่องผูกหย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากการคลองเรือนเป็นเครื่องผูกหย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากบุตรภันยาหรือสามีเป็นบ่วงที่หน่วงเหนียวรัดเรึงจิตใจทรัพสมบัติเป็นของกังวลทั้งในการหาและการรักษาไว้ให้มั่นคงถาวรท่านจึงกล่าวว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพผูกบาดคลอหน่วงไว้ พัญญาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จักพ้นสงสารกามอลัอรอลัยในกามเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากข้ามให้พ้นได้ยากผู้ไม่เคยลิ้มรสก็อยากลิ้มผู้ลิ้มแล้วก็ติดอยู่ในรสนั้นแม้บางครั้งจะรู้สึกเบื่อในวัตถุอันซ้ำซากแต่เมื่อมีใหม่มาก็พอใจอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตาย ความจริงความสุขในกามนั้นเป็นความสุขซ้ำซากความพอที่เกิดจากความสําเร็จในกามก็มีประมาณน้อยกามทิ้งความทุกข์ยากลําบากไว้ให้มากทิ้งความผูกพันไว้ให้ชีวิตจนดิ้นให้หลุดไปโดยยากเพราะความต้องการอิสระภาพทางจิตกับมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่องฝึกจิตด้วยปัญญาการฝึกจิต การข่มใจเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์จิตที่ปล่อยไปตามความปรารถนาตามต้องการตามสบาย น, านั้นมีแต่จะก้าวลงตำ่ำเป็นจิตที่ต่ำทรามไม่ควรแก่ความเป็นมนุษย์ซึ่งหมายถึงผู้มีใจสูงมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตนี่เองคนดีคือคนที่บังคับจิตของตนไวในอำนาจได้อะไรเป็นเครื่องบังคับจิต คำตอบคือสติและปัญญาในพระบาลีพุทธพาสินี้ตรัสว่าข่มจิตด้วยโยนิโสมนสิกานซึ่งก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่รู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆมิใช่ปัญญาธรรมดาเช่นเกิดความคล่ขึ้นสืบไปถึงต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความใคร่พบแล้วละเหตุแห่งความคล้นั้นเสียความเกียรติคลานเกิดขึ้น สืบไปหาต้นต่อว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเกียดครานพบแล้วล่เหตุแห่งความเกียดครานนั้นเสียนี่คือโยนิสโสมนานสิการหรือปัญญาส่วนสตินั้นคอยเกลียดกันจิตจากความชั่วอุดหนุนในทางดีประครับประคองในการที่ควรประครับประคองช้างนั้นจะตกมันก็นานๆจะตกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือปีละครั้ง ครั้งละประมาณสามสี่เดือนแต่จิตนี้ตกมันอยู่เนืองนิดทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องคอยเอาสติและปัญญาเป็นขอคอยสับคอยเหนียวอยู่ตลอดเวลามิฉนั้นก็จะตกไปในที่ต่ำคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงรักชังอยู่เรื่อยไปจิตก็มักดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญา พยายามฝึกจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสรการฝึกจิตเป็นความดีอย่างยิ่งเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตนี้เห็นได้ยากละเอียดอย่างยิ่งผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตเพราะจิตที่คลุ้มคลองแล้วย่อมนำความสุขมาให้ผู้ใดสํารวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงมารเรื่องไม่ขึ้นลงเพราะสุขและทุกข์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 การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิละปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากความทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิละปะการดำเนินและการดำรงชีวิตของเขานั้นพระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดชังความทุกข์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 เกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปียมด้วยความสุขความทุกขย่อมเข้ามาไม่ได้เมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกนี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะสุขและทุกประสบทุกก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่มัวเมาในความสุขนั้นเรื่องไม่ดูหมิ่นบุญ คนดีมีปัญญาย่อมไม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยแล้วเพิกเฉยเสียเขาย่อมมั่นเก็บมั่นสั่งสมคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยเท่าที่กําลังกายกําลังทรัพย์และโอกาสจะอํานวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกระ้าไม่นานนัก กระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลากพันและหลายสัญฐานความจริงความดีที่จะต้องทำนั้นมีมากที่ต้องออกซับก็มีไม่ต้องออกซับก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆแล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากลโลกนั่นก็เป็นความดีการทําใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่า เราสามารถทำความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญญากิริยาวัตถุหรือวิธีทำบุญไว้สิบอย่างจะกล่าวโดยย่อดังนี้หนึ่งทานนามัยบุญจากการบริจาค ก, การให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสองศีลละไมบุญจากการรักษ า, าศีล เว้นจากการเบียดเบียนสามภาวนามัย่บุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้วสี่อัปจานาใหมบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อม 5. ้วยาวัจมัยบุญจากการช่วยขนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่น 6. ปฏิทานาัยบุญจากการให้ส่วนบุญเจ ปัตตานุโมทนาใหมา่บุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมเทศนาใหมา่บุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่น 9. ธรรมัทสวรรไใหมาบุญจากการฟังธรรมสิทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทรรนองคลองธรรม ตามนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทำบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นอีก9ก้าข้อไม่ต้องออกทรัพย์เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครเรามีโอกาสได้บุญมีโอกาสสั่งสมบุญเสมอถ้าเรารู้จักทำกายวาจาใจให้เป็นบุญการสั่งสมซั์ อาจมีทั้งคุณและโทษคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองรั์มากแต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวซั์เลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารั์ตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษ์รักษาคนผู้มีความดี ให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทําจริงๆเรื่องไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ําตายนักกายกรรมผู้มีกําลังมากหรือนักบวยปล้าซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กําลังมาเขาก็ต้องออกกําลังไปก่อน การเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบ้านปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้าสายใดเป็นแม่น้าตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่น หยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกระปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกรปรกลงมาไม่ได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิน้น คนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกรปรกได้เลยพืชพันธุยญญาหารในบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีเมื่อได้ซั์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เป็นเหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรนี เป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอื่ออยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทราบแล้วพึงบำเพ็ญตนเป็นเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเรื่องรู้ตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป ลักษณะของสิ่งทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้จะยึดถือเดี่ยวร่างไว้เท่าไรก็หาหยุดไม่หน้าที่ของเราก็คือรู้ตามความเป็นจริงแล้วมองดูสิ่งต่างๆด้วยอเบกขาและสติอันบริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเรามีแต่จะเพิ่มพูนสติปัญญาและความว่องไวของดวงจิตให้มีมากขึ้นมากจนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ จิตใจซึ่งเต็มเปลี่ยนบริบูรณ์ไปด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์อยู่นั้นอารมณ์อะไรๆจะทำให้หวันไหวไม่ได้เลยอารมณ์อื่นที่เป็นพิษไม่มีช่องว่างที่จะแทรกเข้าไปได้เรื่องโลกกับธรรมกระแสะแห่งโลกได้ฉุดกระชากบุคคลไปอย่างไร้ปราณีความอบอุ่นนุ่มนวลแห่งกระแสะธรรมแม้จะมีอยู่ และพร้อมที่จะโอบอุ้มคุ้มครองผู้ที่เข้าหาแต่ก็ไม่มีใครสนใจนักคนส่วนใหญ่เพ้อฝันอยู่กับความหวังและความสำเร็จอย่างโลกเหมือนชายขา่าวซึ่งมักจะลหลงไหลในหญิงที่เต็มไปด้วยมารยาแต่หญิงที่ซื่อสัตย์จริงใจและไร้มารยานั้นมักจะถูกมองข้ามแต่เมื่อใดเขาชอบช้ำระบมเพราะพิรักจากหญิงเจ้าเล่ เขาจึงระลึกถึงหญิงผู้ซื่อสัตย์จริงใจไร้ามารยาและผัวเข้าหาเธออย่างมอบชีวิตไว้ให้โลกกับธรรมก็มีลักษณะเช่นนี้โลกเต็มไปด้วยมารยาส่วนธรรมมีแต่ความแท้จริงสงบประนีตร่มเย็นพร้อมที่จะให้การคุ้มครองแก่ผู้เข้าอยู่ภายใต้ร่มธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นตรัสไว้ดีแล้วจริงๆเป็นของแท้ นำผู้ปฏิบัติออกจากทุบได้จริงสำหรับผู้เข้าหาธรรมยังถูกต้องนั้นไม่เคยผิดหวังเรื่องสิ่งสาคัญที่พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจากปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกยังไม่มีที่สิ้นสุด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 อันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสัพพสัตร์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบว่วงเพราะมันล้โมบในเหยื่อเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่เข้าวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือ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 เมื่อมิให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานา น, นับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นไว้มิให้กลับแพ้อีกเรื่องสุขชั้นยอดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครๆก็ต้านทานไม่ได้ ความตายเป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายทั้งปวงไม่มีใครมีอำนาจเหนือความตายแต่ความจริงความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นเพียงการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งภพหน้าจะดีหรือเร็วก็สุดแล้วแต่กรรมของเราในปัจจุบันเรพบมนุษย์เป็นภพกลางๆคือไม่ดีมากไม่เร็วมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากเมื่อเป็นมนุษย์ ตายแล้วก็ต้องไปพบที่เลวเช่นนรกเปรดอสุรกายหรือศาสเดระฉานถ้าทำดีมากก็จะไปสู่พบที่ดีเช่นสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งมีความสุขประณนีตขึ้นไปโดยลาดับความทุกข์ในเมืองมนุษย์นั้นถึงทุกอย่างไรก็ไม่เท่าความทุกข์ในเมืองนรกความสุขในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกัน สุขอย่างไรก็ไม่เท่าความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เท่าความสุขของท่านผู้ได้ฌานความสุขของฌานทั้งแปดชั้นก็ไม่เท่าความสุขแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านผู้มีสติจึงไม่ควรประมาทควรเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอันหนึ่งท่านผู้เป็นบัณฑิตทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครก็ต้านทานไม่ได้ ดังนี้แล้วจึงตั้งใจเป็นผู้สำรวมในศีลรีบชาระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วพลันเพราะนิพพา น, นาสุขนั้นเป็นสุขชั้นยอดเรื่องสเสบียงคือบุญกุศลพระาศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจนจะหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้า ในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีสเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำสเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัตรจึงจำเป็นอย่างยิ่งสหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรที่จะต้องรวบรวมสเสบียงคือกุศลไว้มากๆ คนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากฉันใดคนเดินทางในสังสารวัตรก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีสเสบียงคือบุญกุศลไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตนี้ ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าย่อมหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสยดยเร็ว ถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวัละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยหรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อกับการเดินทางในสังสารวัตก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมนทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัตก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุข